ช่วงนี้พวกเราก็มีงานที่ต้องทําหลายอย่างโดยเพพาะนะการเตรียมงานสําหรับสาวทิต์นี้จี่ยงก็เป็นงานสืบเนื่องนะเรามีงานติดพันกันมาเดือนหนึ่งแล้วที่เกี่ยวกับป่า ตั้งแต่มีไฟป่าวัที่สิบหกจนมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่ามีงานที่ต้องทำหลายอย่างซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดางานบางอย่างก็เป็นงานธรรมดาเป็นกิจวัตรแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา ก็มีงานมากมายที่เกี่ยวกับป่าแล้วก็แล้วคงจะมีเสร็จเสาทิ้นแ้วก็ก็ได้พักกับเดียวประดาวเดีวก็มีงานปลูกป่าตามมาไองานที่เราทำไอที่วเราทำนี่มันก็เป็น ก็ถือวเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในการดูแลรักษาป่าให้เป็นการทั้งเกื้อกูลชุมชนแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติด้วย ในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของประโยชน์ตนด้วยนะเพราะว่าป่าผู้ลงนิ่มก็ให้ความสงบสงัดถ้าแล้วสาป่าดีมันก็กลายเป็นที่ร่มรื่นนะเกื่อกูลต่อการอยู่และการปฏิบัตินะใครจะ ก, ก็เป็นประโยชน์นะต่อ ส่วนรวมคนที่เขามีความวุ่นวายใจมาที่นี่ก็ได้พบกับความสงบสงดัดทำให้จิตใจที่รุ่มร้อนก็เย็นลงทีฟุ้งซ่านก็ค่อยๆค่อยๆ น, นิ่งเป็นปกติ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นอกเหนือจากประโยชน์ในทางนิเวศวิทยาเป็นแหล่งน้ำให้ชาวบ้านรักษาความชุ่มชื้นของผิวดนินเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อยู่ทางกาออกไป แล้วก็ตามเนี่ยเวลาทำงานเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือการกลับมาดูใจตัวอยู่เสมอทำงานบ่อยครั้งก็มันก็ลืมตัวได้นะแล้วก็ไม่ก่อลืมตัวบ่อ ย, ยเยอะโดยเฉาเวลามีงานที่มาชุกๆหรือว่าต่อนเนื่องติดพัน หรืองานที่มันต้องใช้ความความใส่ใจต้องใช้ความภาคเพียรพยายามบางทีก็ทําให้จิตเราส่งออกนอกไปได้ง่ายๆแล้วก็ไปได้ยาวเยอะต้องกลับมากลับมารู้ตัวอยู่เสมออย่าให้การทํางานมันเป็นการทําให้เรา ลืมตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะการทำความรู้สึกตัวการมีสติมีใจอยู่กับนับตัวไม่เป็นหน้าที่หนึ่งของเราที่ไม่ควรลืมไมว่าเป็นงานหลักงานหนึ่งก็ได้ทำกิจ หรือทำหน้าที่แล้วก็อย่าลืมนะทำจิตด้วยสองอย่างต้องไปคู่กันอยู่เสมอทำกิจและทำจิตทำจริงก็มีความหมายกว้างมันพูดรวมๆคือหมายนการดูแลจิตใจเรื่องแต่การมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็ระบางังรักษาใจไม่ให้ ไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำทำกิจกับทำจิตมันไปด้วยกันได้ซึ่งมันก็ควรไปกิจวัตรของเราอยู่แล้วเอกไปบินทบาทมันก็เป็นการทำกิจอย่างหนึ่งแต่ขณะที่เราบินทบาทเราก็มีสติตรู้ตัวไปด้วยคอยดูแลระวังรักษาใจ จิตมันส่งออกนอกก็ไม่ใช่ให้มันส่งออกไปเลยนะกลับมากลับมารู้ตัวนี่มันเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีงานอื่นที่เข้ามาแมาจะเป็นงานที่มันปัจจุบันทันด่ว น, นเช่นดับไฟนี้ย มันมาแบบที่เรียกว่าตั้งหลักกันแทบจะไม่ทันในแง่ของตัวการทํางานเรื่องการดับไฟแต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งหลักในเรื่องของสติให้ได้ตอนนี้งานปฏจุบันทันด่วนแบบนั้นก็คงไม่มีแล้วในปีนี้แต่ว่างานที่เราทำํำใช่งานปลูกถั่วนี่ก็เป็นงานใหญ่ แต่ฝึนจำนวนคนที่เกี่ยวข้องก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนะที่ปู่หลงเคยทำมาซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าแค่คนสีห้าร้อยคนแต่ว่ามันก็ขยายตัวนะบานคนคงอยากจะทำอะไรให้กับป่า ยังทำยังยิวเสือร่่มในกระสา ป, ป่าพระเอิญภูหลงก็เป็นที่ที่คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีจิตกิจกรรมที่เขาคิดว่าเขาร่วมได้ที่อื่นก็สำคัญกับภูหลงเยอะป่าป่าพรุที่ภาคใต้ป่าบอสุเทพภาคเหนือทิศหน้านก็ก็เป็นป่าที่ใหญ่พื้นใหญ่ พวกนี้กระโดดไฟปางนั้นแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมมากเหมือนกับกิจกรรมหยอดถั่วมันเป็นทั้งความแปลกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าทำได้ก็เลยมากันใหญ่ ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะข้าไม่ถึงแต่วา่าที่เราทำงานเพื่อเตรียมรับรับมือกับผู้คนแล้วก็งานการต่างๆเข้ามาก็อย่าลืมไม่ลืมตัวทำก็ต้องให้มีสติอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าไปไมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ทำจิตทุกอย่างถ้าเราทําจิตด้วยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอาจารย์บุษรันกับผู้การทํางานคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็หมายถึงทําหลายอย่างนะเช่นปฏิบัติ ด, ด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตปฏิบัติ ด, ด้วยความมิริยะอุตสาหาปฏิบัติ ด, ด้วยความ อดทนมีขันตินทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะั้งนั้นแนะแต่ว่านอกจากความซื่อสัตย์สุจริตความภาคเพียรพยายามหรือว่าขันติแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้คือสติแล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวสติสัมปชัญญะนี่มัน มันเป็นจุดตั้งต้นนะของกุศลธรรมทั้งหลายมันถ้าไม่มีสติวิริยะความเพียรขันตนจจิความอดทนศัจจาะความซื่อสัตย์จริตมันก็งอนแงนคลอนแคลน ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นการกระทบกระทั่งกันปลูกถั่วนี่ก็ก็นึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ก็ทำบันดาแต่เรียกว่าเห็นตรงข้ามกันเลยนี่ก็ แล้วเห็นตรงทาง่านไม่พอก็มีการต่อว่าด่าทอกันด้วยบางทีก็มีคนมาพูดขั้นว่านี่เป็นแผนการในการจะุบพื้นที่ป่าคนพูดนี้ก็ไม่รู้เลยว่าป่านี่เขา ย, ยกให้ทางวัดดูแลมนานานแล้วทางวัดนี่ไม่อยากจะไปฮุบไปฮึดอะไรเลย ปากวัดก็ดูแลมานานแล้วไม่ใช่เป็นของไม่ใช่เป็นที่ที่ใหม่ที่วัดจะเข้าไปไปมีที่พลไปยึดครองถ้าคนไม่รู้ก็พูดกันได้หรือว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องกับถั่วนี่ก็ไม่รู้ว่าถั่วรนี้ก็เรียนลายกันมาบอกบุญกันมาอันนี้ก็พูดด้วย ความไม่รู้ก็เลยมีอคติหรือว่าบางคนก็มีความรู้ในเรื่องวิชาการเขาก็พูดแยง้งพูดคัดค้านอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าบางทีมันก็ไปถึงขั้นต่อว่ากันอันนี้มันก็ เป็นเรื่องที่สะท้อนในเห็นหนึ่งความยึดติดถือมั่นในทิศทีความเห็นคือพอยึดติดถือมั่นในความเห็นแล้วมันก็ความรู้สึกตัวกูของกูก็มีก็เพิ่มก็เกิดขึ้นพอมีอะไรที่มันไม่ตรงไม่ถูกกับความเห็นของตัวมันก็เหมือนก็กระทบกับตัวกูขึ้นมา ยิงมีการโต้เถียงกันไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูถูกกระทบก็แรงขึ้นนะมันก็เลยเออกมาเป็นมองคนที่เห็นตายจากตัวนี่เป็นคนลพวกอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากตอนนี้ใครที่คิดเห็นแตงเห็นต่างจากตัวก็มองว่าเป็นคนละพวกเมื่อเป็นคนละพวกแล้วก็ ก็ต้องมีการต่อว่ามีการด่าทอกันขึ้นมานี่เวลาพวกเราเจอในพอเจอแบบนี้เ้าก็ต้องรักษาใจเราให้ดีใครก็จะไหวไงก็อย่าไปอย่าไปให้ความโกรธนะความเกลียดมันมาครอบงำใจเมื่อใดก็ตามที่เรา ต่อว่าด่าทอกลับไปนี่มันก็แสดงว่าเราลืมตัวแล้วยิ่งต้องต้องไม่ลืมว่าไอ้คนที่ว่าเรานี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ได้สนใจเรื่องการการเจริญสติเท่าไหร่ไอ้พวกเรานี่ก็อุทิศเวลา กับการเจริญสติการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปต่อว่าดาทอมเมันอย่างเขานะมันก็ถือว่าแย่นะพรออุตสาห์ฝึกอุตสาห์ฝึกอุตสาห์ปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์ก็พูดก็สอนว่าให้มีอุเบกขาหรือว่าให้ให้รู้ท่าทันความโกรธที่มันเกิดขึ้น แต่ก็ยงถ้ายังทำไปอย่างเขาไปตอบโต้เขาใน Facebook ะอะไรต่างเขาแรงมาแล้วก็แรงไปอันนี้ก็ถือว่าเราสอบตก เ, เราต้องทำอย่าคิดว่าเขาทำได้เราก็ทำได้ไเขาทำได้เพราะเขายังไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติเขาก็เลยทำอย่างนั้น ทำเรื่องหน้าของทิฏฐปาทานนะความยึดติดถือบัานในทิฏฐิความเห็นในยึดติดในตัวกูของกูให้เรานี่ได้เรียนมาแล้วก็เห็นโทษของพวกนี้อยู่แล้วกูบาจารย์ก็พูดก็สอนนะให้มีสติไม่ลืมตัวตถ้าเราทำเหมือนเขาเนี่มันก็ถือว่าแย่กว่าเขาเ บางทีก็ต้องฟังนะยึดคําของอาจารย์บุทราบอกนะอาจารย์บุทราบอกเนี่ยหมาเหา่าอย่าเห่าต่อพอจะเห่าต่อมันจะมีหมาเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวเพราะฉะนั้นเ น, นี่เป็นเรื่องเ ป, เป็นบททดสอบอันหนึ่งนะของพวกเราว่าเราจะทําทําจิตได้มากน้อยแค่ไหนพ่อพ่อ ก, การทํากิต ใครเขาว่าอะไรใครเขาว่าวิจารณ์การปลูกถั่วหรือหรือแม้กระทั่งวิจารณ์ผมก็ช่างเข้าไปเพราะสมัยนี้นเป็นอย่างนี้เองนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไปนยุ่งความที่ความที่เห็นที่หลากหลายมากการทําแล้วก็ตามเนี่ยจะมีคนที่เห็นต่างออกไปมันจะมีทุกงานก็ตามที่มีคนชม ก็จะมีคนวิจารณ์แล้วก็จะมีคนด่าด้วยสมัยนี้ความหลากหลายในความคิดนี่มันถึงขั้นที่เราไปคนหลบคั่วเลยไปไม่ใช่แค่คิดคิดหลากหลายในเรื่องว่าเออจะบูกถัวอะไรดีพันไหนดี น, นี่คิดแตกต่างกันไปจะหยอดดีหรือจะวานกันดีนี้ก็เป็นเรื่องความแตกต่างแต่ว่ามันไม่ใช่แตกต่างนี่นี้มันแตกต่างมันสุดขั้วเลยสุดขั้วคือตรงข้ามเลย อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นจาก เ, เรื่องการปลูกทั้วนี่เห็นว่าการปลูกทั้วเป็นการทำลายป่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะเออไอเขนว่า